พอความสุขความเจริญมีไล้ท่านกูฟังทั้งหลายซึงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนเอพระสูตรในมัชฌิมานิกายบุรปันนาะบางสูตรก็เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าทรงแสดงสภาพพระไทยของพระองค์เรา ถ, ถึงพระอาหารหันต์ทั้งหลาย แต่ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงแล้วเราก็โดยเสด็จรอยอยู่คนบาตได้ระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นองคธรรมที่สูงยังไงก็ตามในองธรรมระดับนิพพานที่จริงเราก็สัมผัสได้ระดับหนึ่งโดยการใช้สติบ้างโดยการใช้เมตตาบ้างโดยการใช้ความเพียรบ้างโดยการใช้สัจจะบ้างไม่เป็นฐานใจเป็นเรือนใจกิเลสมากระทบใจไม่ฝูขึ้น สามารถดับไปได้ดนะโดยอัตโนมัติมันก็ถือว่าเป็นการดับในขณะนั้นนั้นโบราณเขาเรียกว่าเป็นนิพพานดิบหรือนิพพานก่อนวันก่อนได้พูดถึงทเวทาวิตกสูตรคือสูตรด้วยการตรึกนึกในสองกระแสเรียกว่ากุศลวิตกกับกุศลวิตกต ในภาคของการปฏิบัติเนี่ยเขาทําลายล้างซึ่งกันหมายความวิญญามใดพี่ใจเราตรึกนึกที่เป็นกุศลอกุศลก็ถูกกระจัดไปพยญญามใดพิจัยตรึกนึกด้วยอกุศลกุศลก็ถูกประจัดไปมักน ก, ก, ก, ก, ก็เป็นขณะต่อเนื่องกันขนาดไหนก็ตามผลตัวความคิดเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คําถามสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าเราคิดยังไง อย่างพระรมราชว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รับสั่งที่เสด็จสีหบัญชรมวลที่เก้ามิถุนา ย, ยนเนี่ยรเรเห็นว่าที่จริงก็ทรงแสดงเรื่องสารานิธรรมสตรแต่ว่าในการอธิบายเนี่ยอธิบายได้คมลึกซึ้งเพราะว่าการดรีวยวิธธรรมะมันจะต้องสะท้อนมาจากจิตที่บริสุทธิ์ ถ้าว่าจิตยังมีเจ้าเล่ห์มายาเสแสร้งโอ้อวดแข่งดีอยู่อาการทางกายทางวาจาก็ จ, จะปราปรากฏในภาพลักษณ์อย่างหนี่งัราใจคิดอย่างเนี่งเราพูดกันว่าปากประใสใจชึกเกียคอหรือปากหวานกลมเปรี้ยวหรือทิษศาสปากิศิณเอาไว้หลังหลอกต่อห น, น้ามาพรับรับหลังตะโกเป็นต้น ในประสูนย์นี้ทรงเน้นไปเรื่องการวิตกเช่นเดียวกันและก็ลักษณะของพระธรรมเทศนาก็าเกิดขึ้นเดียบยาัยของพระองค์เช่นเดียวกันแสดงว่าทรงใช้เจโตปริยานเนี่ยดูสภาพจิตของพระมีปัญหาเรื่องความคิดเนันจึงเรียกมาทั้งสองจิตแล้วก็เสด็จประทับอยู่ที่พระเจตวันเช่นเดียวกัน อาจจะเป็นพระกลุ่มเดียวกันเลยท่านแต่ว่าถ้าไม่บอกไว้คือพระสูตรเนี่ยแล้วก็จริงเราไม่รู้ว่าพระสูตรไหนก่อนพระสูตรไหนหลังเพราะท่านไม่ได้ลําดับกาลเทศะไว้โดยเฉพาะยี่คือกาละ เ, เทศะนั้นท่านบอกนะฮะสถานที่นี้นท่านบอกแต่เวลาเนี่ท่านก็ใช้คํ า, าคว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าได้สลับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง ในสมัยนีย้ไม่รู้อะไรก่อนอะไรละแเราก็อธิบายไม่ได้แต่ในการจัดมาเป็นหมวดหมู่มันก็เป็นวิธีจัดของพระสังคีติกาจารย์ตามปกติแล้วท่านจะเอาพระสูตรที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันมาไว้ในที่เดียวกันแล้วก็จัดเป็นวรรคเช่นสมมติวรรคเนี้ยเรียกว่าสีละขันธวรรค เราวักที่ว่าใยเรื่องศีลสูตรแรกสูตรสองสูตรสามันจะเน้นที่เรื่องศีลสูตรอื่นการจะเน้นที่อื่นจะหมายความมาวัดนี้เริ่มต้นด้วยศีลเพียงแต่ว่าไม่ใช่ยึดติดว่าทุกสูตรต้องเป็นศีลได้รับสั่งว่าพิสูจนทั้งหลายภิกษุผู้หมัน่นประกอบอธิจิตควรมาในเทศการถึงมิมิตธาประการ สามเวยลานสมควรคือประเด็นแรกนี่คือเรื่องอธิจิตท่างฟังได้โปรดสังเกตนะเอาก็จริงเนี่ยเราจะพูดคําว่าอธิจิตอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาจบละก็หมายความว่าเป็นจิตที่ยิ่งเป็นศีลที่ยิ่งเป็นปัญญาที่ยิ่งก็มีความสมบูรณ์ใ น, น, น้นั้นในั้นแม้แต่พระที่บวชใหม่เนี่ย เวลาอุปชายะบอกอนุศาสตร์เรจะใช้คําเต็มเลยอาทิตศิลสิกขาดมาสมาดานีอาทิตจิตอิตาสิกขาสมาดานีอาทิตปัญญาสิกขาสมาดานเนีขึ้นอย่างนั้นเลยให้สมาาธาตุอาทิตศิษฐ์อิจิตอาทิตปัญญาหรือเราจะเห็นว่าอธิจิตเนี่ยมันเริ่มที่ไหนถ้าเรามาดูที่กุศลกําบดกับอกุศลกําบดเราจะเห็นว่ากุศลกําบดในเจดข้อแรกเนี่ย มันมีลักษณะของอธิศีเพราะว่าเป็นเรื่องเจตนาวิรัติงดเว้นไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตนนในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นแต่งดเว้นในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเวลวไหลมีลักษณะเป็นสีเวลาอธิบายเนี่ยจะอธิบายเป็นองค์แต่ว่าเวลาส่งแสดงเนี่ยแล้วแต่ คือมันก็ขับเคลื่อนไปสู่อริจิตได้นะตามปกติแล้วก็จะเรียงเป็นเป็นสี่ระดับแต่เช่นหนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์เองตัวนี้ก็เป็นสี่ไม่ใช้ก็อื่นฆ่าก็ยังเป็นสี่ไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าเนี่ยเป็นธรรมะแล้วและใจไม่ยินดีในผู้ฆ่าในสิ่งที่ถูกฆ่าและก็ในการฆ่า เขาเป็นจิตที่สงบจากความโกรธความมาคา่าเยวบาล้วเห็นว่ามันก็อยู่ในกลุ่มความที่สีนเป็นเป็นอธิจิตไปหลักแลวสินก็ออื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนีคือเอาเ็จริงจะเดินไปเรืยๆเป็นสี่ระดับนั้นทรงสแสดงในแนวของกุศลกรรมบุตรที่ชัดเจนก็คือแนวของมโนสุจริตสามประการอันนี้คืออธิอธิจิตหล และความเป็นการกํากับควบคุมจิตตัวเองเอาไว้แม้จะมีความโลภ ก, ก็ไม่ถึงกับโลภจากรายของของบุคคลอื่นความหมายความในแง่ของสมาธิก็คือสงบกรรมฉันนิวรณ์แล้วก็แม้จะมีความโกรธแต่ก็ไม่อาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นกแสดงว่าสงบพยาบาทนิวรณ์เป็นอาการของสมาธิ แล้วก็เห็นชอบตามธํานองของธรรมมันก็ขจัดนิวรณ์อีกสามข้อนี่ยออกไปขจัดความพุ่งสัน้นรําคาญ ส, สาั้นของจิตขจัดความมัวงเงาหามนอนมันไม่ถึงก็หมดหรอกแต่มันงสงบแล้วก็ส ง, งบวิจิกริชาลงไปเพราะวิจิกริชามันเป็นลักษณะของโมหะความครุ้มคล่งสงสัยไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้ ว่าอะไรมันเป็นอะไรจริงๆเพราะถ้าเราเกิดความเห็นชอบเนี่ยริแนวของความเห็นชอบเนี่ยท่านแสดงไว้แนวพิธรรมเนี่ ย, ท, ยท่านแสดงไว้ถึงหกระดับด้วยกันแต่ระดับก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งมนเริ่มต้นจากกรรมมสัสกตาสมาธิิคือปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมหรือเป็นเรื่องใหญ่ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องบางคั้ง ท, งที่เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีข่าวคร า, าวให้ได้เห็นได้ยินได้ฟังกันตลอดแต่คนก็ยังไม่่อยเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบางคนก็เพลินวันที่ทำชั่วกันเพลินแล้วมันมีอาการของความโลภแล้วก็ความหลงคืออาการความโลภแบบโง่ เคยคากับพวกเล่นหวยเล่นพนันบอลเล่นอะไระะไรต่างๆที่ผ่านนั้นตัวเลขน่ากลัวนะฮะคือเงินหมุนเวียนอยู่ในในแวดวงของการเล่นการพนันว่ากันเป็นพันล้านแล้วก็สแสดงให้เห็นถึงว่าเมื่อเราเกิดความเห็นชอบเนี่ยมันก็ขจับพวกนี้ออกไป ที่ใจก็จะสงบเพราะว่าปัญญาเห็นชอบนั้นเป็นเป็นปัญญานะฮะเป็นปัญญาเพรดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอธิจิตเะยครับแต่ทีนี้พวกอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเนี่ยพวกสมถะกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยที่ําแนกออกไปในอารมณ์สี่สิบพูดง่ายๆว่าการทำยังไงก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งนิงนวรณ์ทั้งหประการลงไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่า อาิจิตปุสิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงโน้นนะะพวกอริยามรรคพวกสติปัฏฐาน4สมัตประฐาน4อิทธิบาติ4ก็แล้วแต่นะคับที่ประเด็นต่อไปก็คือควรมนศสิการถึงนิมิต5มนานศสิการก็คือใส่ใจสนใจอ่าพินิจวิจาณาเขาเรียกว่าโยนิสนาสิการ ถามความว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรบอบข้อมองเหตุมองผลเชื่อมโยงกันระวังเหตุกับผลสาวจกผลไปหาเหตุสาวจะเหตุไปหาผลได้นะคือมองปัญหาต่างๆมีความชัดเจนทีนี้ปัญหาตรงนี้สมเน้นเฉพาะนิมิตมาสิกาคือมณสิกาเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมันเกิด เวลาเราสัมผัสอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ฮะสัมผัสอารมณ์ถ้าเราไม่มนสิการคือไม่ใส่ใจไม่สนใจมล้วก็เสียงก็สักแต่ว่าเสียงกึิ่นก็สักแต่ว่ากิ่น ร, รถก็สักแต่ว่ารสยนรนินดีร้อนแข็งก็สักแต่ว่ายินดีร้อนแข็งอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์แต่พอเราใส่ใจปับ๊บเนี่ยมันจะเกิดปรุงเลยมันเกิดชอบหรือไม่ชอบจะยินดียินร้ายขึ้นมาเราจะปรุงไปตามความรู้สึกของเราอะนะ ไม่ใช่ตัวอารมณ์บงังคับเรานะเราไปเลื่อนไหลไปตามกระแสาอารมณ์คือเราปรุงคิดคิดปรงุงขึ้นมาเองอารมณ์มันก็เป็นศักดิ์เทวาอารมณ์คือในแง่ของความเป็นจริงเราจะเห็นว่าถ้ามันเป็นที่ตั้งของความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่งหลงความโวเมาจริงๆก็สแสดงว่าทุกคนสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นต้องเกิดกำหนัดขัดเคืองรุ่งหลงัวเมาแต่ก็เปล่ามันก็อยู่ที่ใจเรากําหนดเอา คนสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยยินดีก็มียินร้ายก็มีเฉยๆก็มีจะเกิดเบื่อหน่ายก็มีเกิดสลดใจก็มีเกิดสงสารก็มีก็แล้วแต่อารมณ์เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงเพราะงั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมันไม่เหมือนกับพวกพวกสภาวาธรรมคือสภาวาธรรมนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละ แต่เช่นบ่าไฟร้อนเนี่ยใครจับก็ร้อนเ่กลือเค็มเนี่ยใครกินก็เค็มน้ำตาลหวานเนี่ยใครกินก็หวานแมันจะหวานสากลเลยแต่อารมณ์ตัวนี้ไม่ใช่มันที่จริงมันเป็นมายาเฉยๆแล้วก็แล้วแต่จะกําหนดเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูให้ดีแล้วอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์ห้าเนี่ยตาหูจมูแอ็บรูปเสียงกจิตรสสัมผัสธรรมารมณ์ตลอดถึงสิ่งที่เราเนี่ยวนื้อจิตเนื้มันตัวเหนี่ยวระบรรลุมาผลนิพพานก็ได้ ภายในใได้ตกนรกโขกงมาอย่างได้เรื่องเดียวกันนะมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการมองอย่างที่ว่านเนี่ยยังยดตัวอย่างว่าพระไปเจอภาพผู้หญิงสวยๆเข่าบางคนมองในแง่ของความจริงที่ลึกซึ้งซึ่งสะสมอยู่ภายในใจมองในแง่ของความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายประต้งจยุดนึงในท่านน็ดไม่ร่างกระดูกได้ วันใจจะไม่กำหนดเพื่อเพื่อนอะไรแล้วก็น้องก็มาหาตนก็เห็นในร่างกันดูความตายก็รอยอยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรที่ควรแกการยึดมัน่นหือมั่นเลยให้สุดใจก็จับปรุงตกแล้วก็ปล่อยวางได้บรรุมรรคผลได้ในกรณีของพระสุนทรสมุททึ่เคยเล่าไว้ครับทีนี้ก็มีพระเราเป็นจำนวนมากเหมือนกันคือไปเจอผู้หญิงแล้วก็ไปปรุงคิดคิดปรุงเอาเอง เตลิดสึกหาลาเพศออกไปบางคนก็ไปประกอบอาชญากรรมแม้แต่ตัวประกาศชีวนะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าระหว่างทางเสด็จไปกรุงสาวัตถียอบกรุงกรุงพารีสเราจะเห็นว่ามือขนาดนั้นนะฮะต้องสึกไปมีลูกมีลูกมีเมียแล้วก็ทามาให้กินอะไรไม่เป็นก็เป็นคนเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงช้างใ น, านาโรงละครสัตว์ถึงจุดหนึ่งสามีด่าลูก กระทบตัวเองเข้าก็เกิดสลดใจแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์เป็นอนันตชินะเป็นคําที่ใครไม่เคยคุ้นนะคเนี้ท่านก็จําได้ว่าชื่ออันันตชินะแต่ว่าชื่อ ช, อ ช, อชอืจริงๆเป็นยังไงใคไม่รู้เลยก็ตามพระพุทธเจ้ารู้ข่าวมาตั้งแต่ต้นติดตามข่าวคราวมาตั้งแต่ต้นว่าวณนี้อนันตชินะเป็นยังไงเป็นยังไง คนก็เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ท่านเองก็จําในชื่อของอ น, น, นันตชินะดนสุก็ไปบวชบวชไปก็ตั้งหลักตั้งฐานหน่อยบางที่ก็หกลม้ลมหกลุกอ่ะหกล้มหกลกอย่างพระจิตาตาตะกะที่เคยเล่ามาหลายครั้งเลยเจอว่าบวชบวชสึกๆก็เจ็บครั้งเจ็บคราด้วยกันพอเพื่อนเกิดวิพากวิจารขึ้นหลวงเจ้ารับสั่งว่าเอ้ยอาถาโคตรก็เคย อ่สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้จัดสรู้เป็นกุลธารบัณฑิตเนี่ยเคยบวชบวชสุดสุดสุสสสสบวชอยู่เนี่ยวเเจ็ดครั้งเจคราวเมื่อกี้ท่านทั้งหมดเองมันอยู่ที่การปรุงเป็นวิธีการคิดแล้วก็สิ่งเหล่านั้นแหละเป็นเหตุให้ดึงท่านออกมาจากเพศนักบวชแล้วก็สิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่ผลักดั น, นท่านเราไปสู่ความเป็นนักบวชเห็นไหมอารมณ์เดียวกัน ก็ขึ้นอยู่กัสบสภาพจิตทีคิดอารมณ์หรือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะสภาพจิตทีคิดอารมณ์เนี่เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็รัพย์สั่งว่าดูกาลภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมีใ น, นนี้อาศัยนิมิตใ ด, ดแล้วมนานสิกานิมิตได้อยู่วิตกทั้งหลายนั่นเป็นบาบอกุศลประกอบด้วยฉันทบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้น ก็มองอะไรก็ม่รู้นะก็แล้วแต่เราจเห็นว่าบางทีเนี่ยมันก็คิดถึงวัยหนุ่มๆอย่างในเมถึงสังโยคเนี่ยมีถึงสังโยคทรงแสดงเมถึงสังโยคไว้เจประการนี่เองแล้ที่ใจมันเป็นเหนียวโน้นสมัยยังหนุ่มนุมยังเป็นวัยรุ่นอะนึกถึงพระผู้หญิงหรือว่าแม่พิกษุณีนักแต่ผู้ชายอะไรต่างๆมาหรือว่าบางทีก็ได้ยินเสียงแล้วก็ปรุงแต่งอะไรต่างๆไปไหว้เรื่อยๆก็แล้วแต่ท่านเนี่ย วันสําคัญว่าตรงนี้ที่จริงมันคล้ายๆกับประสูตรแรกประสูตรที่สองนะครับพระสูตรที่สองคือสภารสวาสังวรสูตสสรเวาลาการสําคัญว่าอารมณ์อะไรก็ไม่สําคัญล่ะคุณดูก็แล้วกันว่าถ้าไปมองแล้วไปสัมผัสอารมณ์แล้วกิเลสประเภทโลภะเกิดกิเลสประเภทโทสะเกิดกิเลสประเภทเพตโมหะเกิดก็สําคัญก็อย่าใส่ใจอารมณ์เหล่านั้นให้ใส่ใจเรื่องอื่น ชิ้กิเลสมันไม่เกิอดะอะะไรก็ได้ทีนี้มันมันสภาพจิตมันพุทธิสำคัญนะฮะแล้วลองนึกดูว่าพระพุทธรูปอะพุทธรูปคนบางคนเนี่ยพอเห็นเกิดสภาวะเรื่องใส่นั่งกราบแล้วก็ น, นั่งสมาธิหรือนั่งเพ่งมองที่พระพักร์พระพุทธรูปทํำจิตได้สงบหรือบางคนก็อาจจะเพิ่งกราบเฉยๆบางคนก็อาจจะมานั่งไหวพ้พระสุดมนต์ว่านโมตัสสะอะไรเลยไอ้คนบางคนมันมองอุลนาหนาหน า, น า, นาเอาไปใคร มันก็คล้ายๆกับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่มีการฆ่าพระหมดวัดอ่ะเพราะเพราะว่าพลังเหล่านั้นแกมองนึกว่ารูปถรูดเป็นทองแล้วก็เด็กไทยที่อยู่ด้วยหนึ่งคนเนี่ยแกก็คิ ด, ดว่าเป็นทองอว่าก็ทองคำขนาดนั้นนี่รวยมหาศาแลแหละเฮ้ก็ต้นฆ่าพระทั้งพระทั้งชีทั้งเด็กตายเรียบทั้งวัดแหละ ทีนี้พอรู้ความจริงเข้าพระก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะเมื่อเป็นทองเหลืองเนี่ยมันเอาไปไม่ไหวแล้วมันใจลแล้วแกก็ถูกจับใต้ไายทันจะได้ผลดันปัญหาสำคัญว่าไอ้สิ่งนี้เป็นอะไรไม่สำคัญสำคัญเราคิดยังไพงพระก็รับสั่งว่าบุคคลที่สุทั้งหลาย ที่สูงนั้นควรมร ส, สิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นนั้นประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมร ส, สิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิโตกั้นเป็นบาปประกุศลประกอบด้วยชั้นาธาตุสาโมหะอะไรเนี่ยก็าสามารถสลัดออกไปได้แล้วก็ในสุดมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เวลาวิโตกนันเป็นบาปประกุศลเหล่านั้นทีนี้จิตมันต้องคิดอารมณ์อะ จิตแล้วก็มาอยู่กับมิตกที่เป็นกุศสจนทั้ถึงจุดห น, นึ่งในจิตจะตั้งมันได้ดีแล้วก็สงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนี่ข้าไปทรงอธิบายข้าไปทิชานเลยนะฮะแต่ข้าไปทิชานเลยก็อธิบายไปถึงที่อยิานแล้วก็รับสั่งว่ามันเหมือนอะไรละมันเหมือนก็บช่างไม้หรือลอกมือของนายช่างไม้ผู้ฉลาด ใช้ลิ่มอันเล็กนิดออกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกไั่นฉันได้อันี้ท่านสาะชาชนต้องมองการสร้างไม้โบราณบ้านทรงไทยอย่างในหน้ากุฏิอามาเนี่ยคุณสมัครสินธราเวทเขาถวายสาราทรงไทยให้หลังสมัยก็เป็นผู้ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีตะปูเลยสักอันเดียวใช้ลิ่มตอก เราไม้กลมๆนะฮะแล้วก็เจาะโยสว่านเจาะไปก่อนแล้วก็อัดไม้อีกนี้เข้าไปทีนี้พวกนี้เวลาเขาต้องการออกเนี่ยเขาจะเอาไม้อีกตัวเล็กกว่าเนี่ยไปไปตีอยู่ไปตอกไว้ข้างบนแไปกดดุข้างบนแล้วก็ทุบตีสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ตะปูใหญ่ๆก็ได้เอาด้านเอาด้านบนคอตะปูเนี่ยวางลงไปด้านล่างแล้วก็ตีจากจากตอนปลายของตะปูก็ไปทะลุทะลวงสิ่งของนั้นออก ว, วิธีการจิตก็จิตมันนึกอยู่เนี่ยนึกอยู่ด้วยโลภะโธสะโมหะแล้วก็คิดใหม่คิดใหม่ก็คิดในทางตรงกันข้ามก็ทรงอธิบายเป็นรูปธรรมว่าวิธีการเราเนี้ยมันก็เหมือนกับเอาลิมมอันเล็กเนี่ยไปตอกลิมมันใหญ่ออกไปแล้วเมื่อออกไปแล้วเราก็เอาลิ่มอันอื่นที่เราต้องการอ่ะก็ใส่เข้าไปก็ตอกเข้าไปก็ตรึงติดอยู่ แบบไม้คูนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เพราะฉนั้นวิธีการเหล่านี้อย่างนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้คำว่าสัพพัญยูเนี่ยคือรู้หมดนะแม้แต่เขาทำพองอย่างไงเขาตีเหล็กอย่างไงเขาปั้นหม้ออย่างไงเขผสมดินอย่างไงนงอธิบายอธิบายได้หมดเลยแล้วท่านรู้ท่านเป็นพระเจ้าปุมาเนะี่ยอยู่ในรั้วในวงังกันเคยทํางานเหล่านี้แหละแล้วทําไมท่านรู้อัานอธิบายได้ อธิบายรายละ เ, เอียดเยอะมากนะแม้แต่พูดถึงว่าการทํำลายทะเลถึงยกตัวอย่างว่าอุปมาว่าเหมือนกับการเราค้นต้นไม้แล้วก็ถอนรากออกมาแล้วก็ฟันให้แหลกแล้วก็ใส่เข้าไปในกองไฟแล้วมาตามให้แหลกแล้วก็โยนลงไปในทะเลเมื่อก่อนไม่คิดว่าโอ้ทําไมอุปมาดูเดือดอย่างนี้ทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้น แล้วเกิดมารู้ทีหลังเนี่ยว่าเนื้อยเยื่อ น, นิดเดียวเนี่ยสามารถเพาะปลูกได้ลู้สิษย์ที่เป็นอาจารย์มาอุตไลเกษตรก็ เ, เาอามาให้ดูงอเป็นก้าวหน้าก้าวหน้าขนาดนี้นี่คือคือสัพพัญญุตยานเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่เราก็เป็นพุทธวิสัยนะฮะโยมาเองยังมองว่าแม้แต่ภาษาเนี่ยทุกเจ้าพูดได้ทุกภาษาเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทา กำหนดจะพูดจะรู้ความคิดอะไรจะไดอ่านของคนเนี่ยพวกพุทธเจ้าก็ตอบได้ว่าเราไม่เคยเจอพุทธเจ้าใช้ล่ามเลยวั น, นรู้ติไปสา ม, มิทาจึงไม่ใช่แตกแผลนภาษาธรรมดาเพราะต้กลมอารยันเนี่ยโอ้มันชนเผ่าเยอะมากๆนะพูดยากมากนะสันกุมินเดียเนี่ยแล้วพุทธเจ้าก็เทศอยู่ในส่วนกลางเขาสุบูตุวีร์ก็สามารถเทศได้โดย ภาษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเปลี่ยนเพาะแสดงว่าในท้องถิ่นอย่างนั้นนะเขาเรียกอย่างนี้เช่นคำ ว, ว่าบาทคำเดียวนี่มันมีตั้งเจ็ดแปดชื่อนิพานคำเดียวเนี่ยมีประมาณทักเกือบสองร้อชื่อเพราะแสดกย้า ย, ย, ายาเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มเป้าหมายที่ส่งแสดงหมายความว่าแตกฉ า, านในภาษา การสั่งสอนโดยอุปมาอย่างเนี้ยมันก็คือแนวปัจจุบันที่เราเรียกว่าการสอนโดยมีอุปกรณ์การสอนแต่ว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยคือไม่รุงรังอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันตอนนี้มาได้รับนิมนให้บรรยายการบริหารการจัดการองค์กรของพระพุทธศาสนาเลยก็ทำมิชิกเลย แต่มัชีดเพื่อแจกให้นักศึกษาคิดว่ามันจะกลายเป็นหนังสือขนาดใหญ่ประมาณตั้2สองรอยกน้ะเราต้องการจะให้ดูจริงๆในเรื่ององค์กรเนี่ยมันเราจัด ก, การกับคนอย่างเดียวตั้งเองสร้างคนให้มีความคิดดีให้มีความสามารถดีให้มีความรู้ดีแล้วก็มีธรรมะเป็นตัวกำกับทกลาดับขั้นตอนของการใช้ความรู้ความคิดความสามารถ บริหารองค์กรขนาดไหนก็ได้ก็ไม่ได้แตกอะไรอ่ะลองนึกดูว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเ จ, จ้าอยู่วเนี่ยก็ศึกมาเขานิมนต์ไปศึกที่ในวงนังนะฮะแล้วสมัยราชทั้งบริหารราชการในท่าทกลางหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองผ่านวิกฤตการณ์นั้นไปได้แล้วถ้าเรียนมาจากไหนหรือแม้แต่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์กรเกษมบุญศรี เป็นราชาคณะที่รู้สึกจะชื่อประสีสุธรรมมุนีนะแล้วท่านสุดไปสมัครผู้แทนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาบุตแทนรัศดรเป็นประธานชั้นดีเลยนะแล้วท่านเรียนมาจากไหนมันก็เรียนจากพระเจดียดกแเพราะในพระเจดียดกมีครบแล้วนี่นก็พยายามจะทําชีวแล้วก็ให้นากศาเรียนไปก็คิดว่าสักประมาณสักสิบ สิบครั้งนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาช่วยกันโดยการอภิปรายพระราชบัญญัติคณะสูงฆสี่ฉบับแล้วก็ศึกษาหาจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็มาจัดยกร่างใหม่ฝออึกคณะศึกษาเป็นทั้งสภาร่างสภาร่างกฎหมายนะฮะเป็นคณะกรรมการยกร่างกฎหมายนะในขณะเดียวกันก็เป็น จิตติการเป็นคณะดนตรีแล้วก็เป็นเจ้าพผู้แท น, นาราษดรเลยก็ระดับปริยโทเท่านั้นก็คงทำได้นะแล้วก็ตอนนี้ก็จะจะให้ให้ข้อมูลต่างๆไปก่อนแต่มองโดยมิติพุทธนะฮะจะเห็นว่าองค์กรพุทธเนี่ยมันเป็นองค์กรทางการศึกษาการพัฒนามนุษย์ ว่าเราจะคิดในในแนๆว่าต้องมีมันนี่ต้องมีแม็ทีเรียนต้องมีเม็ดสินต้องมีเม็พอตอะไรแต่ได้ต่างๆมั theory, ๆๆ น, นก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเจ็นว่ามันขึ้นอยู่กับองค์กรองค์กรเนี่ยคือองค์กรอะไรองค์กรองค์กรทางศาสนาพุทธเนี่ยที่จริงไม่ไม่มีความจําเป็นเรื่องเรื่องมันนี่เรื่องเรื่องเรื่องทุนแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนอะโลกมันเปลี่ยนขึ้นมาในปัจจุบัน เพื่อะไรมันมันกลายเป็นเงินเงนหมดเลยแม้แต่จะไปเทศนิดเดียวอ่ะก็ต้องมีค่ารถละแล้วมันกลายเป็นเรื่องมีปัญหาไปแล้วถ้าแนวดั้งเดิมจริงๆเนี่ยมันไม่มีไม่ไม่สำคัญเป็นไรแล้วเราก็อยู่ต่างจังหวัดเป็นก็เรียกว่าเป็นเดือนเดือนก็ไม่จ่ายสตางคสักบาทไม่ไม่อยู่ได้ไปไหนมาไหนก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรแต่ปัจจุบันก็ค่อนข้างมีปัญหาเพียงแต่ว่า มันสามารถที่จะปฏิบัติงานแล้วก็ปลูกฝังคาถาภ菩萨ะาาให้ชาวบ้านเข้ามาสนับสนุนในเรื่องตัวตัวเงินนี่ได้นะแล้วตลอดทั้งเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆที่ที่ระบบการบริหารองค์กรที่เขาคิดขึ้นมากี G ่เอมกี่เอตอนนี้ก็ห้อมั่งสีเอ็มั่งแล้วแต่เขาจะว่ากันเราอ่านแล้วเราก็ก็เห็นว่ามันก็เรื่องคน่ะเป็นเรื่องคนอย่างเดียวของพระเจ้าท่านท่านานไม่มองที่อื่นนะท่านมองที่พัฒนาคน เราเนึกว่าพระอาหารหันห์หกสิบรูปกับพระหันอีกกับรรกพระอนาคามีอีกสามสิบรูปที่ทรงทรงไปเืืผยแผ่าศาสนาในยุคแรกวิจัยไม่ได้สาธิตวิธีเผยแผ่เลยฮะเลยมือขนาดนั้นแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะไปองค์เดียวด้วยนะไปไม่ต้องไปเป็นหมู่ไปองค์เดียวเลยแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วถ้าเราทางานประสบความสำเร็จกระจายาศาสนาไปในสูตรต่างๆของชมพูทวีป ก, ก็หายไปเลยนะ เราก็ได้ข่าวได้ผลงานของท่านนี้ไม่กี่รูปส่วนใหก็หายไปมันมันเป็นการทํางานด้วยการุงาตต่อสรรพสัตว์ผลสมฤทธิ์ก็คือสัตว์ น, นั่งได้ผลแต่ว่าตัวเองเนี่ยได้อนุเคราะห์โลกเราะันก็ไม่มีบันทึกไม่มีประชาสัมพันธ์อะไระอะไรเลยผลงานแบบพระอาหารหันต์เนี่ยลักษณะโปร่งเบานะลักษณะโปร่งเบาสบาย ว่านแนวตัวนี้ให้ให้ลองสังเกตว่าก็ทรงอุปมาว่าวิษูทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเมื่ออาศัยนิมิตอันใดแล้วมณศิการนิมิตใด้อยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบโดยฉันท่าบางโทสะบางโมหะบางเกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนไปตึกนึกเรื่องอื่นอะไรก็ตามที่มันทำให้การฉันทะมันจางไปคลายไป โลภะจังไปคลายไปโทสะจางไปคลายไปโมหะจังไปคลายไปก็นึกอย่างนีน้แล้วก็อยู่กับกบิธิตย่างลีกาวแล้วแต่เราคิดแล้วแต่เรามองให้ลองสังเกตว่าแม้แต่คนคนเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันหรือรถคันเดียวกันอะไรก็ได้อย่างมิคาวันก่อนบอกว่ารถเบนที่รับรองพระจารย์คันดูกะเวลาเนี้ย มีคนจองร้อยกว่ารายแล้วรถมีไม่ถึงร้อยเออเนี่ยก็เออคนก็ต้องการจะมีเกียรติว่านั่งรถที่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์อ ง, นนองนน์นั้นองค์นั้ น, น, น, น, นพระราชินีองค์นั้นองค์นั้นยุคพระราชงนั้นองนั้นมันก็คิดเขาก็มีสิทธิ์จะคิดได้แต่ถามว่ามันเกินความจําเป็นไหมมันก็เกินความจําเป็นเพระาะแม้มันดูราคาแล้วก็แพงอเกิน ดังนั้นเราจะเห็นว่าคนพวกนี้เขาคิดอีกแบบหนึ่งเราคิดอีกแบบหนึ่งเขาก็คิดก็ไปทีนี้ถ้าถ้าถ้าเราเราลองคิดดูว่าเรารณรงค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังดีวะ <laughs> <ส> <siglo> แลวการการะทำอะไรก็เราการซื้อหาการจับจ่ายแล ooh, ้วแต่กิจกรรมต่างโอ้มันรูดรากูฟ้าสินเขื่อนสินเงินทองไปเยอะเลยนันก็เป็นความขัดแย้งกันอยู่ในตัว เราคิดว่าจะแก้ปัญหานะฮะแต่จริงก็ไปสร้างปัญหาขึ้นมาอีกอย่างหนึงเพราะงั้นดูเปลี่ยนตัวจุดจุดคิดเลยเปลี่ยนวิธีคิดนะฮะคือสิ่งที่เราคิดไม่แปลกอะไรอย่างในเราคิดยังไงเราเรามองเห็นขอผ่านเนี่ยเลยคิดได้เกิดเมตตาก็ได้หรือ ย, ยกตัวอย่างที่ตอนมีข่าวที่เกี่ยวกับพระทางพระพุทธรูจริงแค่ยังไงเราก็ไม่รู้หรอกสมมติว่าจริงยนะังไ สมมติว่าจริงถ้าเป็นคนน่าสงสารนะมันเป็นอาการทางจิตเป็นโรคจิตอย่างเด่งเราไปถามแพทย์ที่เกี่ยวกับจิตเภทจิตจิตเวทดูเถอะมันเป็นอาการทางจิตแลว้วเมื่อเขามีอาการทางจิตแล้วเราไปด่าเขาได้ไงเราปกติดีหรือเปล่าเราไปด่าคนบ้านะฮะเขาไม่ถือคนบ้าเขาไม่ว่าคนเมาเขาไม่เอาเรื่องคนป่วยสาธุชนเนะี่ยเขาไม่เอาเรื่องกับคนเหล่านี้ พรท่านควบคุมตัวเองไม่ได้อะท่านเหมือนกับผีสิงอ่ะไม่คุมตัวท่านไม่ได้เพราะในการหลักการของพุทธเนี่ยเราจะเห็นว่าพระอรหันต์นั้นถ้ามีสติสมบูรณ์เนี่ยใครไปโจดท่วงอะไรไม่ได้คนบ้านเนี่ยไม่มีสติยกเว้นยกเว้นเลยเห็นไหมคนบ้านเนี่ยไม่มีสติเงั้นในศาสนาพุทธเราจึงไม่ถือสัตว์แต่สัตว์เนี่ยสุนัขบันเห่าก็คือมันเห่าอ่ะสุนัขที่ไหนไม่ห่าอะ แมวมันจะไล่จับหนูควมขามครมคามกระทบใจกันพังวินาศแล้วฉันทำยังไงกับแมวอ่ะเออมันไม่ได้คิดจะทำใจกันเราให้แตกหรอกมันไล่จับหนูเฉมมมมย แล้วคนสวนใหญ่ไม่เคยคิดเพราะสังคมเราเป็นสังคมี่มากโดยริษยามากโดยความเหยียดเบียนแล้วก็ชอบซ้ำเติมคนอื่นก็สะใจดีแต่จะพ้อยยิ่งกร้นดาว่าตำหนักสีพระอย่างที่บอกเนี่ยอี่พืสุดก่อนเนี่ยพระเจ้าทรงสแสดงด้วยอธิบายอุเทศของทิักสุหรือว่าจุตูปปาติญาณแล้วทำไมคนนี้ตกนรกละ่ะ เราก็ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจติเตียนพระเดียเจ้ามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิจฉ์อันนี้ก็มีปัญหาดังนั้นเราก็มาเปลี่ยนไปทำยังไงก็ไม่รู้ว่าอย่าให้กิเลสมันเกิดไปแล้วกันตั้งสติมองที่ฝาผ น, นังดูก็ได้ดูดวงไฟก็ได้ดูโคมไฟก็ได้ ทำใหวงกลมแปะไว้ที่ฝาเอาสีอะไรก็ได้สีเขียวๆเย็ยนๆกาหน่อยนั่งเพ่งด้วย อ, อะไรก็ได้แล้วนั่งนึกที่ปลายจมูกก็เองเลยนั่งนับลมหายใจก็ได้ที่จริงเราอยูการ ท, เทาเยอะอย่างเรานั่งไปในรถเนี่ยกุงเทพเป็นรถติดนะถ้าเราไม่สนใจรถติดก็ไม่ต้องดึ เราก็นั่งทากิจให้สงบไปเฉยๆไปถึงเ ม, มื่อไรก็สั่งเรื่องคนขับไันได้เกี่ยวอะไรกับเราไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเราสามารถที่จะหาประโยชน์จากเวลาตรงนั้นน่ะได้คือบางครั้งเราเดินไปไกลอ่ะมาอย่างไปที่โคราชเนี่ยพอเรียกว่าสองร้อยือห้าสิบกิโลไปกลับก็รวมห้ารอยกิโลแ้วมีทีดีที่สุดเราก็นั่งหลับตาตาก็ ยกธรรมะอะไรขึ้นมาแต่ข้อนัคิดตัว่านั่งนับลมหรือภาวนาพุโทโธก็ได้ เ, เดี๋ยวมันถึงเองไปใช้โ อ, อกาสตัวนี้แต่ว่าทำยังไงว่าอย่าให้กิเลสมันเพิ่มกันแล้วกันกรรับสั่งว่าวิตกอันเป็นบาปอากุศลอันประกอบด้วยฉันทา้าโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ ลรวิตตอกันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นน่ะคือจิตเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมั น, ม, นมันต้องคิดอารมณ์อ่ะได้เลบกาคิดได้สามอย่างคือคิดดีคิดไม่ดีคิดกลางกลางตามปกติแล้วใจมันจะแกว่งไปดีก็ไม่ดีกลางกลางเน่ยเอาไม่ค่อยอยู่หรอกไม่ค่อยดีคิดอ่ะเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าอารมณ์กรรมฐานมันจึงมีทั้งสามอย่างคือดีไม่ดีแล้วก็กลางๆงแต่ว่าใจมันก็จะแกว่งนะจะแกว่งไปหรือถ้าพอย่างยิ่งคือจะแกว่งไปในทางไม่ดี แปลงไปง่ายใจมันค่อนข้างจะเสพคุ้นกับอารมณ์ในลักษณะนั้นทีนีก็รับสั่งในประเด็นต่อไปว่าเมื่อภิกษุนั้นมนสิกานิมิตอื่นจากนิมิตนั้นนั้นประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกนันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยสันภะรูภะโทสะโมหะก็แล้วแต่นะครับที่ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวลูกกรภิกษุ ก็พิเศษควรจะพิจารณาโทษของวิตกให้เห็นอันนี้ก็ก็ก็ตัอย่างที่ที่เคยพูดเรื่องหลวงพ่อเล่าพระองค์นะฮะมันต่อสู้กับวิตกอ่ะความความตึงเนื้อภายในพอการวิตกมันเกิดแล้วเอาอยัางไงมันออกไม่ออกสลัดไม่ออกก็มองเห็นโทษของมันมองพยายามเห็นโทษ ด, ดูที่ไหนก็ไมายว่าดูที่คนดูที่ศพดูที่อะไรก็ได้เพื่อให้ใจมันจางคลาย ดังคลายจะเรื่องเหล่านั้นทีนี้มันอยู่ที่ว่ารสนะบารมีคนอย่างนี้เคยเล่าเรื่องพระเรวาตาเธอมองผู้หญิงอายุเจ็ดขวบเอ่อไปสู่อนาคตอีกร้อยสิบสามขวบหรืร้อยสิบสามปีไปเท่ากับหญ้าทวดหญ้าทวดเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยต่อไปเนี่ยจะแก่เมือหญ้าทวดแกง่งอมชราเมือหญ้าทวดแล้วท่านเองก็ท่าเหมือนกับหญ้าทวดเนี่ยเพรโอ้โรคยังไม่น่าอยู่ได้จังหวะพนน้นหนีเข้าป่าเลย น้องชายภาษาอังกฤบุตรตัเล็กเองไปหนีไปอยู่ป่าไมา้ตะเคียนทั้งสิบสี่ปีเห็นไหมมันก็อยู่ที่วิธีบางทีเนี่ยอารมณ์เหล่านี้มันตามไปอยู่ในป่าแมันยังตามไปเพราะอะไรเพราเราปเป็นเนี่ยมันอนะที่จริงอารมณ์มันดับแล้วมันน่ะมันดับไปแล้วแต่เราปเป็นเนี่ยมันวันนี้มันมันก็นํามาสุดนึกเล็วมันก็ฟูขึ้นะบางทีถ้าเราเข้าไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้าอะไรแต่อะไรก็อารมณ์หนุนนี้ก็ยังไปหลอกหลอนอยู่ที่จริงไม่ใช่หรอกคือเราไปตึดนึกมัน เราเปนเหยื่อลึกถึงมันอนะ่ะเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สุดเราไม่ได้ริบไม่ได้จับต้องในขณะนั้นแต่ว่าสัญญาเนี่ยคือความจําในอดีตนี่เยเอามาปรุงแล้วก็ฝันไปหาอนาคตอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่ากันไปนี่ก็คือเป็นปัญหาเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งว่าต้องชัดเจนว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษให้ชัดเจนแล้วหามองอะไรก็ไม่รู้อะให้เห็นก็แล้วกัน อาจจะมองไ uh, ปถึงนรกอาจจะมองไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์ดิฉานอะไรต่างๆการที่ปลอยใจให้ไหลไปกับอารมณ์เหล่านั้นเราจะลืมว่าอารมณ์โมหะจัดเมันก็ค mm. ือส<ถ>ัตว์ดิฉันโทสะจัดมันก็เหมือนกับนรกโลภะจัดยมือนก็เปรตแล้วก็ตั้งโลภะตั้งโมหะมากๆเนี่ยไปหลอกลวงคนอื่นก็เหมือนนสุรกายวันจิตมันมันโอกาสเราจะเปลี่ยนเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกนี่ได้โดยขนาดจิตเนี่ยวันนั้นก็เอาชนะความจิตตรงนี้ให้ได้ ก็ได้เล่าถึงเรื่องศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่เขาคิดฝันนะฮะคือมันจะสมเร็จหรือไม่สาเร็จสร้างได้หรือไม่ได้จริงๆก็ไม่ค่อยยึดมั่นถึงมันอะไรหรอกเพราะเราก็จะตายแล้วเราคงอยู่ไม่กี่ปีแลเราก็ตายแล้วเราก็ทำเท่าที่เราทำได้แต่หมายความว่าพระไปทำเองเนี่ยไม่ได้หรอก มันก็ต้องอาศัยบอกกล่าวญาติโยมคนใดที่มีศรัท ธ, ธาภาษาท่าเห็นชอบด้วยในการจัดตั้งองคอ์กรพระพุทธศาสนาขึ้นมาสักองค์กรหนึ่งแล้วมาทํางานร่วมกันระหว่างพุทธบริษัททั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงทั้งทำยุทธรรมนิกายทั้งมหายานแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะประสา น, น, นกับองคอ์กรพุทธต่างๆเห็นว่าศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หรือประเรียนทำสมาคมพวกนี้เราก็ร่วมงานกันอยู่แล้วนะครับพอถ้าเรามีอาคารสถานที่เนี่ยเราก็ไปทํางานด้วยกันเราก็รดมคนแล้วก็ประหยัดงบประมาณต่างไปแล้วช่วงการสร้างเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างใหญ่อ่ะมันยุคสมัยตรงนี้ก็ไม่รู้จมค่าไงเพราะว่าคระเอกเสรีเคยบริจาคสนับสนุนการซ่อมแซมกุฏิกันม า, มาแล้วก็ตกใจอ่ะเป็นสี่แสน แต่อย่างบริจาคสนับสนุนการสร้างศาลาไปมันมันเยอะเลยนะมันหายไปเลยมันสร้างศูนย์ตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเฟสแรกเนี่ยมันก็ถ้าโครงสร้างเนี่ยมันเสร็จตัวสิบเก้าล้านก็ตกตารางวาละหมื่นสองเดี๋ยวถ้าการตกแต่งภายในอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคงไปโน้นนะไปยี่สิบล้านแหละมีคสามารถใช้งานได้แต่ว่าที่ฝันเวลานี้ต้องการแค่สามเฟสเท่านั้น แล้วเมื่อเราทำงานจดงานมันล้มสถานที่แล้วดังนั้นก็เวลาก็คงไปเยอะแล้วคนรุ่นใหม่ก็ต่อกันไปเราก็อยากโลกนี้ไปเมื่อไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ขอประกาวญาติโยมนะฮะมีคนส่งธนานาไปให้ก็ศูนย์สงเสริมก็จะออกใบอนุทนาให้เขาจะบริจาคผ่านที่คลเอกเสรีหรือที่ท่านอธิการบดีหรือที่ อาจารย์กิติภูมิอะไรก็ตามจะนก็ได้ด้วยกันเท้งนั้นก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาแม้จะเป็นหน้าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องเริ่มต้นที่หนึ่งอ่ะแล้วก็สองสามสี่จะตามมาเองเมื่อผลงานปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นที่ต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้นคนก็จะมาร่วมมาสนับสนุน มันเป็นอะไรสำคัญว่าอยู่ที่จุดเริ่มงต น, นองค์กรโดยปัญญาอารมณพระทว่าโสธรโอโหมันรู้เลิศเหลือเกินยังนึกว่าแม่ถ้าจะว่าท่านคิดเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเรื่องหนึ่งนะฮะที่ดินทักแปลงหนึ่งแล้วก็สร้างศูนย์ส่งเสริมพศาสนาขึ้นในภาคตะวันออกแล้วกระดมคนเข้ามาทำงนานในด้านการศึกษาการเผยแพร่การค้นคว้าอะไรต่างๆมันมีความพร้อมมากอนะ่ะ หรือเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยที่วัดสุทธน์แต่ว่าเรากลับมีปัญหาเรื่องเงินพวันจึงตัวบอกกล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้แล้วไปพิจารณาด้วยก็นเลยกันท่กฟังกันหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยวเวลาเป็นครั้งนึ่งในสุดนี้ขอความเจริญนงอกงามไปบูรในธรรมต้งมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี